เมื่อพูดถึงการปฏิบัติเมื่อพูดถึงการปฏิสุปปัตตินี่มันรวมเป็นคำปฏิบัติธรรมมันรวมมันรวมพระวินไยมันรวมธรรมะเข้าใจกันใหเป็นข้อปฏิบัติเรียกว่าการปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าบอกบรรลุซึ่งธรรมะไม่ได้ยินท่านว่าบรรลุซึ่งประวินัยบรรลุสึงส่งธรรมะที่มารวมกันแล้วเราจึงเรียกกันว่าเป็นการปฏิบัติธรรม ถึงในทวว่านสอนใช่ไหมทำเราใดเป็นไปเพื่อความกำหนัดย่อมใจอย่างนี้เป็นต้นคำนั้นคืออะไรเราจะมีรู้สึกทางจมูกตุ่รู้สึกทางตาตุ่รู้สึกทางหูตุ่รู้สึกทางร่างกายตุ่ยรู้สึกทางใจคำที่ว่าทำเราใดนั้นไม้เอชฟาวะในมาสัมผัสถึงกล้องในอายตนะของเรา เช่นว่ามีรูปสวยๆเรามองดูเลยมันตำหนักแล้วมันย่อมใจมันมีความตำหนักมันก็ย่อมใจอย่างรัชายบริขารสวยๆงามๆอย่างนี้เป็นต้นมันจ้เกิดความตำหนักมันย่อมใจมันย่อมใจของเราขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยๆมันจะเหตุให้เราดื่มตัวของเราขนาดีวอนก็ดีทั้งทพิจารณาสั้งคาติบริบริขารทั้งปวงนี้ จีวอนวินทบาะเสนาสนะเทศนี้นะเมื่อรวมประมาณนี้มันปฏิบัติถึงทันทีในที่เจรนาปัจจัยทั้งสี่นีปัจจัยทั้งสีนี้เมื่อหยิบขีวอนเป็นมาท่านก็ต้อยที่เจรนาเมื่อฉันอาหารวิทศวะก็ทันพิเจรณาเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยท่านปล่อยที่เจรนา ยาบําบัดโรคท่านไวยทีเจารนาีมีรวมได้มันเป็นปฏิสิทธิ์ทำไมท่านเป็นห้พิจารณานะอะไรมันเป็นเหตุให้มีความกําหนัดมีความย่อมใจคือจะเป็นวัตถุ ก, ก็าตามจะเป็นนามธรรมก็าตามย่อมใจให้เราโรคย่อมใจให้เรากําหนัดย่อมใจให้เราโกรธย่อมใจให้เราสลาดปัญญ์ไม่ปกติสอะไร ทุกอารมณ์มันเป็นอันนั้นนี่การย่อมใจเป็นธรรมทั้งหมดจะเป็นวัตถุกว่าเป็นธรรมจะเป็นเป็นนามวัตถุเมื่อก่อเป็นธรรมขอแต่ว่าอะไรนั่นมันมาทําความกำหนัดย่อมใจเกิดขึ้นอันนั้นเราก็ต้องระวังต้องระวังทำอะไรเป็นไปเพื่อความประกอบทุกประกอบไหวสิ่งทุกคือไม่ปล่อยทุก อะไรที่มันเป็นเหตุให้ทุกเกิดอยู่แล้วเราก็ไม่ปล่อยทุกแล้วก็สะสมมันขึ้นจะเป็นวัตถุก็ตามจะเป็นความรู้สึกนึกคิดก็ตามนี่มันสั่งสมไว้ถึงทุกทคำอาไรเป็นไปเพื่อความอยากใหญ่ไปสูงเป็นไปเพื่อความไม่สันโดษกินดีในของที่มีอยู่ยนี่นี่ เป็นไปเพื่อความเลี่ยงอนยาเป็นไปเพื่อความเกลียดทานเป็นไปเพื่อความทุกข์ทีหมู่คณะทั้งหลายเหล่าเนี้ท่านจัดเป็นส่วนหนึ่งว่าอันนี้ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่ยินัยไม่ใช่สัจถุคําสั่งสอนของพระศ า, าสดาของเราตรงกันข้ามนั้นท่านอ น, นั้นเป็นธรรมะคําสอนจัจถุคําส อ, อนของพระพุทธเจ้าของเราอย่างนี้ ธรรมะทั้งหลายเราเนี้่ยถ้าเราสังวรทั้งท่วงมันจะเกิดอยู่ทุกอีกทางมันจะเป็นธรรมะเป็นกรูครูธรรมปัญญานี่เรียกว่าปฏิบัติธรรมะแต่รู้อย่างละเอียดอย่างนี้มันมั น, ม, นมันก็รู้จักธรรมะมันมันมากสุดๆไม่จนธรรม ะ, ะ, ะได้ที่เรณาฉะนั้นข้อวัดปฏิบัตินี่เพื่อให้เขาไปรู้ไปเห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นน่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 ฉะนั้นเราจึงพยายามถอนอะไรออกที่มันลบ ล, ลูงรังถอนอกอย่างความตำหนัดย้อมใจอย่างความเปรียบเท้านอย่างความใหญ่ไฟสูงอืเป็นต้นใครมีปัญญามากเท่าไรมันก็ยิ่งกว้างออกไปมันก็ยิ่งละเอียดออกไปการปฏิบัติธรรมท่านมารวมเข้ากันทั้งว่าเป็นพระธรรมีนายเป็นพระธรรมีนาย รวมกัน ส, สองอย่างเป็นพระธรรมวินยัยเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงธรรมบรรลุถึงสันติธรรมคือความสงบระงับดังนั้นข้อปฏิบัติของผู้ปฏิบัติมีมันถึงมากแต่ว่ามันก็ไม่มีความอะไรยุ่งยากถ้าเรามีสติเต็มเปลี่ยมแล้วสติที่จะเต็มเปลี่ยมนี่ก็เรียกว่าเราต้องพยายามจะต้องฝึกเรื่อย อเช่นผงเคยพูดให้ฟังว่าเราอืมจะลงมาทําวัดดงโบศเข้ามานี่เราต้องกราบมาองค์เดียวก็ะชั่งมาเจอมาทําอะไรเลยกราบละมเมื่อเทียบแลกกับกติกก็กราบละเมื่อเราออกไปถึงกติเราจะขึ้นไปบนกติกแล้วก็นั่นกราบละชุดไปก่อนอืมชุดเป็นมากว่า บางคนก็าำพังใจลุกตื่นตกราบนั่งโตกราบวันใดตกราบและอีกอย่างอย่างนี้ทำอะไรทําสุขสติของเรามันมีสติจนมันชํานาญให้มันชํานาญมันชํานาญในสิ่งช่างลายนั้นสตินี้มันคือความระลึกได้อยู่เสมอมีสติต้องมีสัพพัญญาแต่เรื่องการคิตของเราเองทําให้มันชํานาญบางคนก็คิดว่ามันป่ามันเขื่อน ถือมัน่นถือรั้นถือขังอะไรไปอย่างนี้ต็มีคิดอย่างนี้ก็มีแต่ว่ามันทางเก่าเพรามันเข้าใจง่า้ตั้งแต่น้อยไปหามันโจรไปนมอยแค่ตรงตรงนี้เรื่องปรีนยัยเรื่องพระธรรมมันก็มีความสงสัย ถาเราปฏิบัติช่างตัวสงสือสงใจก็ช่างมันเถอดสงสัยก็ทําไปพยายามทําไปคือว่าเราทําที่ไหนมันก็มีความฉลาดอยู่ที่นั่นทำโดยการพิจิตรทําดยการพิจารณาเราทําตรงนี้เราก็ต้องพิจารณาอยู่ตรงนี้ในความฉลาดมันก็เกิดเกิดมารเรื่อยๆไปคือเหมือนกันที่เราฟังธรรมะ ได้เรียนมากได้ฟังมากเป็นประพุขจักรได้ฟ <af> ังมันในคนเพราว่าในใจของมันนิ่งดียวเรากำลังศึกษามันเป็นเสียขจิตมันจะต้องศึกษายอยู่ก่อนก่อนที่จ ะ, จะมันจะรู้แล้วมันก็เป็นเสียขจิตที่รู้เรื่องของมันเนี่ยไม่ต้องศึกษาแล้ว อย่างนี้อือย่างนั้นนลยอย่าไปถือว่านะเราเรียนมากมากเราเรารู้มากๆากแล้วอย่าไปถืออย่างนั้นถือว่าใครเป็นคนหลงอันนี้ยถือว่าใครมันเป็นคนหลงกันคนที่เรียนมากๆเลยหรือคนที่ไม่เรียนเลยอย่างนี้ให้เราคิดในมันดีๆให้คนที่หลงมันเรียนมากๆมันก็หลงกัน ไม่เรียนมันดุม ก, ก็ด้าน น, อ ย, านอย่างคนเราเกิดมาตั้งแต่เล็กเลจนแกน่ใช่ไมเราเก่งตรงนี้นะเก่งเกราอเพราะเราเกิดมานานอย่างนี้็รงแล้ไม่ไปที่ไหนแต่นั้นเนี่ยจันจะทำในดิ่งเวตรงไหนมันอยู่ครงที่ของมันทัานที่เดียจันจัความเป็นจริงอืมสันจับความจริง คือไม่เชื่อนจากที่มันแต่เราเป็นนอ้อมใจเราเข้าไปสิงสัจจะธรรมจนกว่าสัจะธรรมมันจะตั้งอยู่ในจิตของเรามไม่เคื่อนที่อื ม, อ ม, มันไม่ตามกระแสใ จ, จของคนมันไม่ตามความรู้สึกนึกคิดของคนความรู้สึกนึกคิดก็เป็นความรู้สึกนึกคิดอันนี้สัจจะธรรมนั่นก็เป็นอย่างนี้ ถ้าเรามีความรู้สึกนึกคิดที่เป็นจรจัดธรรมมันก็เป็นสรจัดธรรมถ้าเรามีความ ร, รู้สึกนึกคิดแย่แน่ออกไปเป็นส่นแต่เราเข้าใจว่ามันถูกอันนั้นมันตรงไม่เป็นจรจัดธรรมอมในความว่าที่เรามาปฏิบัติกันนี้นะที่เรามาปฏิบัติสันตุโฟนเนี่ยเรายังไม่รู้ตามเป็นจริงเพราะนั้นการฟังการเรียนทั้นเป็นในรนิีารณา อันนี้แฟนพูดมันผิดอย่างนี้ระบบฟังมันผิดอันนี้แฟนพูดไปมันถูกอันนี้ถ้าเราฟังบานี้กันกันว่าถูกอย่าพึ่งไปย้ำว่ามันถูกมันผิดในการฟังเราเลยคนฟังกว่าจั ก, กว่าแต่เราฟังไปมันไม่จบตรงนี้มันไปนจบที่การรู้ขึ้นมาเองมนันวินิจัยเกิดความรู้ขึ้นมาเองในจิตที่มันของใจเมื่อไรมันจึงจะรู้จักอ น, นี้ อย่างนั้นทุกคนที่เรามาปฏิบัติเนี่ยก็รับฟังเมื่ออันนั้นมันถูกอันนี้มันผิดอะพระพุทธเจ้าต่างวยังไม่ได้สอนอย่างนันแบบให้ฟังเราฟังสิที่เราฟังเราฟังสิ่งที่มันผิดนั้นมันก็ไม่ผิดอะไรแล้วฟังสิ่งที่มันถูกนั้นมันก็ไม่แปลกอะไรเป็นคนฟังเอาความรู้ซิ่งมันเกิดขึ้นมาในจิตของเรานี่จะนั่นจัดจริงจัดมันแค่ว่าอันนี้มันเกาะอย่าไปหมายมั่นมัน อะไรทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาก็ไ <c oughs> ด้กว่าเอออันนี้เราคิดเรามันไม่ถูกอันนี้เราคิดเรามันผิดอันนี้เราคิดว่ามันดีแล้วแล้วก็ไปยึดดีแล้วก็ไปยึดสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ไปยึดสิ่งที่มันผิดแล้วไปยึดสิ่งที่มันถูกนะอะไรทุกอย่างถ้าเรากไปยึดมันโดยไม่มีปัญญาเนี่ยมันจิดหมดอ่ะอ่าเข้าใจอย่างนี้เราก็ไปยึดมั่นถือมันมันโดยที่ไม่มีปัญญาไม่มีเงื่อนไขอย่างนี้มันก็ผิดมันผิด ถึงแม่มันถูกอยู่ไอ้ความถูกนั่นมันก็ไม่ผิดมันผิดที่กว่าไอ้การที่เราก็ับไปยึดไปยึดความถูกไปยึดความผิดที่มาเราเป็นผู้ปฏิบัติเองเอ้ยของคนอื่นมันผิดของเรามันถูกอย่างนี้เป็นต้นอืมเห็นของเราถูกเห็นคนอื่นผิดถ้ามันเป็นก็ให้เป็นอาการอย่าไปความแน่นอนแต่มันอย่าไปยืนยันแต่มันมากจะได้ความยืนยันมากก็คือเรียกว่ามันยังไม่แน่นอนอันนี้เนี่ย เราปล่อยมีอะไรสงสัยในสิ่งทั้งหลายเหล่านะั้นมันรู้อยู่ในนั้นอันนี้คือการปฏิบัติอย่างนันการปฏิบัตินี่มาถึงต้องต้องต้อ ง, งพยายามไปค่อยทำไปค่อยคิดไปค่อยคิดเจรนาเอารุณแรงมันก็ไม่นานเมื่อไปถึงที่ไหนก็ตามเถอะถ้าเราไปดูสถานที่ต่างๆในวัดเราก็ตามนอกวัดเราก็ตามอะไรก็ตาม หนังสืออะไรที่เขียนขึ้นมานั่นก็ตามเถอะโดยมากจะอ้างว่าอันนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าใช่นนไหมเนี่ยแต่พระพุทธเจ้าเราก็ไม่เห็นเป็นคำสอนของท่านเราก็ยังไม่รู้อันนี้อย่างนั้นท่านจึงสอนไลยว่าอย่าไปเชื่อในสิ่งที่เขาว่ามันถูกอย่าไปเชื่อวอาได้ในสิ่งที่เราว่ามันผิด ตรงนั้นคนไปมากมันถูกตรงนั้นยังมีคนไปหรตรงนั้นเอจิบัติไม่ถูกอะไรต่างๆเนี่ยอืมคือความเป็นจริงนั่นมันก็เป็นอย่างนั้นท่านว่าอ ย, ย่าไปยึดเอาค้างเดียวเป็นกลางบรรทุกการนาโยโปกอดีอัจจะยิรรมสายโยโภกอดีถ้ามันเกิดขึ้นมานนั้นท่านไม่แหยยึดมั น, มนคือท่านารู้มันถ้าไปยึดความสุขนั้นมันก็ผิด เป็นการไปเนี้ยอถ้าไปยึดทุกมันก็ผิดแหละไอ้ความเป็นจริงเรื่องสุขหรือเรื่องทุกข์นี่เป็นเรื่องจังให้เราพิจรารณาปล่อยวางอย่าไปหมมั่นมันอันนี้มันผิดผิดเดี๋ยวก็แล้วไปอันนี้มันถูกผู้เดียวเขแล้วไปอย่าไปยึดมัน่นถือมัน่นมันให้เรารู้แต่เบื้องแรกอืมเบื้องแรกจริงๆเิง่ะคนเรามาขอสองยึดอืมถ้าจะให้ปลอยเลย ให้วางเสียมันก็วางไม่ได้ทําอะไรไอ้ความยึดเราไม่มีอย่างรามีวัตถุในมือของเราอย่างนี้ใช่ไหมมาทิ้งเสียไอ้คนที่นั้นก็รู้สึกว่ามันก็ทิ้งก็ได้เพราะมันมีของที่จะทิ้งในมือของเราถ้าเราไม่มีอะไรจะทิ้งถ้าเอาทิ้งเสียก็ไม่มีอะไรที่จะทิ้งอะไรในมือเรานี้ที่ของมันไม่มีอย่างนั้นผมเคยเล่าให้ฟังนะตอน อ่าวันนั้นคงไปเล่า อ, อ, อ่ะมันชัดดีนักปฏิบททัติสองคนเถียงกันว่านั่งประชุมกันอยู่อย่างเนี้ยไอ้มีลมอย่างหนึ่งก็มีธงอย่างหนึ่งธงก็งงไว้ตัวไปมาอยู่เรื่อยะ่างคนต่างดูอยู่ไอ้คนหนึ่งก็คิดว่าไอ้ธงเนี้มันไว้ตัวเพราะอะไรไอ้คนหนึ่งก็ตอบว่าเพราะลมคนที่สอนนั้ไม่ใช่เพราะเป็นพระพรมมันมี เนี่ยเอาดูมันอรมณตรงไหนล่ะเออถ้าลมไม่มีธงก็ไม่ไว้ตัวไม่แข่งมันจึงเกิดความรู้สึกว่าไอ้คนหนึ่งที่ธงมันจึงธงมันจะแข่งไปแปลงมาเป็นเพราะลมไม่ใช่คนดีสอนว่ามันเป็นเพราะมีธงคนนึงว่ามันเป็นเพราะมีลมมาพัดมาคนนึ่งมาไม่ใช่มันเป็นเพราะธงนี่เขเถียงไปเยอะนะมีเหตุผลอย่างนี้เรื่อยไป ถ้าไม่มีธงมัน ก, ก็ไม่แปลงถ้ามีธงไม่มีลมมัน ก, ก็ไม่กดแ ป, ปรตรรกะเป็นอยู่ตรงเนี้เนี่ยอถ้าเรามองเห็นง่ายๆเราจะเป็นกระทรงคารุกเท่ะนั้นเองที่แปรเมื่อมันแปงแล้วก็เกิดปัญหาเกินมาเนี่ยคนหนึ่งว่าเป็นเพราะธงคนหนึ่งว่าเป็นเพราะมีลมคนหนึ่งว่าเป็นเพราะมีธงอผู้ฉราดท่านตายท่านทั้งสองนั้มันทุกข์ทั้งนั้นะ ถ้าท่านไปนติดอยู่ในแง่นี้ท่านก็ทุกข์ทั้งนั้นไม่มีทางคน้นถ้าว่าท่านรู้สึกว่าท้มก็ไม่มีร่มก็ไม่มีแรื่องกบเรื่องปัญหาก็จางไปปัญหาก็มฏไปแต่เพราะว่าท้มนั่นก็สมมุติขึ้นมาให้มันมีเป็นท้มร่มนั่นก็สมมุติขึ้นมาให้มันเป็นร่มันเป็นเรื่องสมมตุติมันก็ติดสมมุติกันอยู่อย่างนั้นไม่มีทางที่จะไป เมื่อจากการปล่อยวางมันทงมันก็ไม่มีรมมันก็ไม่มีมันเดื่อสมบติณ์อางนั้นก็หมดปัญหามันก็ไม่เกิดขึ้นมาอันนี้ก็น่าอาไปดีใจน่าไปพิจารณาแต่เราผู้ศึกษาอยู่นี่เหมือนกันกำลังมาปฏิบัตินี่นะปฏิบัติให้มันถูกเดี๋ยวนี้เราไม่รู้จักว่ามันถูกมันผิดคิดแล้วก็ไม่รู้จักถูกก็ไม่รู้จัก มันไม่รู้จะผิดไม่รู้จะถูกตามความเป็นจริงที่สัตยธรรมดังนั้นพระพุทธเจา้าฉันเลยว่าอย่าไปยึดมันถูกก็เป็นฐานสมมติของเขาผิดก็เป็นฐานสมมติเท่านั้นอย่าไปหมายมั่นมันเราว่าตัวนี้มันถูกเขาว่าผิดเนี่ยเป็นต้นพูดกันํามสองคำเราก็เลิกเรื่องนี้นก็หมดเขาว่าอันนั้นไม่ถูกเราว่าถูกเข า, าพูดกันคาสองคำแล้วไม่จ่อมันก็หมด เนี่ยเรื่องมันจบตลงอย่างนั้นถ้าคนหนึ่งว่าไปยันว่ามันถูกคนหนึ่งว่าไปยันว่ามันผิดไม่ลงกันก็ทะเลาะกันนะยิ่งผิดใหญ่เลยผูกถึงเรื่องผิดมันเป็นอย่างนั้นเลือกธรรมะจริงๆปฏิบัติไปจนถึงว่ามันไม่มีปฏิบัติจนถึงว่ามันถึงความปล่อยวางอถ้าว่าผู้ปฏิบัติมันก็แสดงกายแสดงวาจาของมันในปีมันนั้นแหละ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 จิตใจก็เป็นปกติหน้าตามันก็เป็นปกติไม่แสดงอะไรออกจากปกติทั้งนั้นจิตใจมันเป็นอีกนะยังไงผงเคยพูดว่าการปฏิบัติพวกเราทั้งหลายนั้นนะ่ะชัยไม่นี้มันก็ยิ่งมีมากหลายอย่างหลายประการยิ่งทำให้พวกเราทั้งหลายวุ่นวายกันมากเช่นมาวัดน้องกัะโพงเรามีปฏิบัติอย่างนี้นบางคนก็ไม่ชอบ อืบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบน <c oughs> ั่นเป็นอย่างนี้มันก็บางคนต่ามาเป็นผสมอนไรบางคนเนี่ยไม่เป็นพเพระอิ น, อนรีรอย่างนี้ <c oughs> ดังนั้นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันจริงเป็นเครื่องวินิใช้ด้วยตนเองทำเหล่านี้กันเดียวไม่เป็นปัด จ, จัดตั้งรู้เฉพาะตัวของเรารู้เฉพาะตัวของเรา เฉพาะความเป็นจริงของเรามันเกิดขึ้นอย่างไรมันรู้เฉพาะเจ้าของไอ้ที่มันยั่วยวนก็คืออารมณ์อารมณ์นั้นไม่ยั่วยวนแต่มันยั่วยวนข้อยั่วยองเย่ยั่วยองในความฉลาดเราเกิดมันปลุกพวกเราให้เราศึกษาอารมณ์ให้ปรึกษาอารมณ์เพื่าอา ร, รึกษาโลกไอ้ธรรมที่ปฏิบตัติเนี่ยพระพุทธเจ้าว่าให้ยึดสุขเบื้องแรกของมันเลยยึดสุขยึดเรือยไปจสุข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 มันก็ตั้งมาหน้าเดืจะมาตรงนั้นอีกแนี่ดังนั้นอารมณ์ที่มันกระทบอยู่สุกวันนี้ถ้าเราพิจารณาตั้งกับอะไรนั้มันเป็นบุญคุณที่สุดที่จะปลุกตัวก็งเรตื่นจะมาให้ดูอะไรต่างๆให้มันทราบขึ้นกัไปใหมันรู้เรื่องมันอืมที่เราไม่สบายก็เพราะว่าเราอยากให้เป็นอย่างนั้นไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้ทคำที่ว่าไม่อยากนั่นนะคืออยากไอ้ที่ว่าไม่อยากไม่อยากให้นเป็นอย่างเนี้ เราไม่ชอบนี่คืออยากแหล ะ, ะไม่อยากนะมันกลับเป็นอยากเป็นกิเลสมันเป็นตัญหาอยากแล้วเบื่อมันไม่อยากรู้มันไม่อยากเห็นมันนี่จะนึกว่าเราเบื่อเลยนะมันเป็นเพิ่ความกําหนัดขึ้นเพิ่มความหลงขึ้นเท่าตัวมันอันนี้คําที่ว่าความอยากหรือความไม่อยากสองอย่างนี้หรือมันเป็นภาษาทำในความรู้สึกกันนั่นเอง ถ้าพูดถึงธรรมะของพระองค์ท่านตรัสรู้จริงๆนั่นน่ะนมันก็เท่าๆกันความอยากนี่มันก็เป็นโทษอที่ว่าความไม่อยากนี่มันก็เป็นโทษที่ว่าไอ้ไม่อยากหรืออยากนี่เป็นส่วนมันอยากอยู่ตรงโง่ไม่อยากก็ไม่อยากอยู่ตรงโง่คือมันผิดเนี่ยเกินทุกข์เราจะไปวางของทั้งหลายแล้วนี่ิปฏิบัติไปนี่น่ะมันขึ้นมองไม่ออกมันไปยึด ถือมั่นถือรั่นอยู่ไม่หยุดนังมันก็เลยเกิดทุกข์ขึ้นมาได้ไอ้ความเป็นจริงนั่นแหละสิงที่มันถูกหรือจริงที่มันผิดสิ่งที่มันสุขมันทุกข์มันไม่ใช่สิ่งที่มันสงบนอย่างเราเห็นไอ้แม่มันสุขใจมันสบายหรือเดินเนี่ยเปลี่ยนตรไอ้ที่มันสุขหรือมันทุกข์มันไม่ใช่ทางที่สงบนไม่ใช่ที่สงบมันมีสุขปนอยู่นั่นมันมีทุกข์ปนอยู่นั่นแต่ว่ามันถูกอะไรมันถูกเด็กเด็กที่ปฏิบัติใหม่ๆมันสุข คือมันอาเอาใจมันมีสรัทธาเกิดขึ้นปฏิบัติมันมีความอยากที่จะต่อไปมันมีกำลัง่มันมีกำลังไม่สุดเฉยเฉยไม่ทุกเฉเฉยมันเข้าไปยึดมั่นหรือมั่นจะด้วยอย่างนี้ไอ้สุดที่พระพุทธเจ้าสอนแต่ทุกที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นท่านพูดเป็นอาการพวกมันตอนั้นลักษณะนั่นมันเป็นอย่างนั้นอาการมันเป็นอย่างนั้นเฉย สักเทวอารมณ์มันรูปขึ้นทัทีเดียวท่านั้นมันก็หายแต่ก็ไม่มีอะไรตัวสุขนั่นมันก็มีตัวทุกข์นั่นมันก็ไม่มีถ้าเราไปยึดมั่นถือมันมันก็มีเป็นมาเท่วตรงนั้นอย่างนั้นเช่นว่าเราได้ยินเสียงอย่างนี้เป็นต้นพอเสียงมันดัง้งยางที่เร้อยที่วางอะไรลงพื้นเนี่ยมันเสียงมันเปะ๊ะยงไม่เกิดอะไรเกิดมาเมื่อเสียงแปะ๊ะอย่างนั้นเน่ยไม่มีอะไรมิใชเสียงจเฉย ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหมายเงยเลยเป็นอะไรต่อไปถ้าเราคิดว่าเือหรือตุกแกมันโดนตรงนี้ต่อไปนะแล้วกลัวๆเท่านั้นเอนี่งูมันตกตรงนี้มันโดนตรงนี้มันกะลัวๆเท่านั้นเลยนี่ที่หนึ่ง น, น, น, น, น, น, นี่มันได้กระทบเฉยๆไอ้ที่สองมันต่อไปแล้วงูหรือหรือตุกแกหรืออะไรทั้งไหนต่ออะไรเที่ยงตรงกันพ่อจะได้ยินพุทธ แเนี่ยมันก็มีเสียงกันนั้นไม่มีอะไรต่อตายนะอืต่ออีกพผลกระทบปุ๊บมันจะเกิดอีกต่อหนึงนะนั่นเสียงผู้หญิงเนี่ยหรือเสียงผู้ชายมันต่อไปเนี่ยไอความเป็นเสียงครั้งแรกมันไม่โผล่ใครมันมีสัมผัสเฉยๆแต่นั้นเนี่ยก็เสียงพัึ้นมาเท่านั้นเออผู้ชายหรือผู้หญิงเนีมันไม่ว่าหรอกมันมีเสียงเฉยๆคอได้่าเสียงผู้หญิงไป็นต้นม่งก็ มีความรู้สึกมันเป็นตัวหญิงมันเป็นปฏิบัติกันได้ให้ผู้ชายแล้วมาคิดต่อเรื่อยๆไปนะมันเป็นอายตนะอย่างนั้นถ้าหากว่าเราเข้าใจในตัวของเราเข้าใจในจิตของเจ้าของนะมันก็ง่ายขึ้นในความจริงมันคนละครั้งคนละตามันไม่ติดกัดกันเป่นคนได้อยร์ดังนั้นการปฏิบัตินี่ถ้าเราให้มีสติเราก็ไม่เคยข้าใจนะ ไอนี่สัพปัญญาก็ไม่เข้าใจนะไอความไปยิงตัวสตินี่ตัวสัพปัญญานี่ยมันให้ระลึกได้ไอใจมันรูตัวสองอย่างนี้มันเป็นพื้นอยู่แล้วถ้านี้สิ่งทั้งสองอย่างนี่เป็นธรรมสองอย่างสติสัพัญญาสตินี่ก็แปลว่าระลึกได้สัพปัญญาตกแปลว่ากลัวตอนนี้ เมื่อเกิดสองอย่างนี้เป็นตัวมันจะไปดึงเอาปัญญามาวิ่งเข้ามาดูนี่จะรู้ไหมกลัวไหมจะไม่กลัวไหมอะไรไหมมันจะแจ้เพราะปัญญากะมากระทบเข้ามาอีกคือเรื่องของสมณธ น, นี่มนไม่ใช่เรื่องมันมากเรื่องอาาทีวอนมีวารเสนาสนะเพศท่านจะให้ดูอย่างนี้เพื่อเห็นของทั้งหลายแล้วนี่เห็นชัดต่อไปแล้วก็นอก้อมเข้ามาเป็นโอปนาหยิกธรรมนอ้อมเข้ามาในตัวขำลังมีใดไม่ดูดูสิจะชินกันสิ จะเห็นของไม่ไสวยเห็นของไม่งดงามเห็นของเล่นสาบ<ม>เล่นขาวทุกอย่างอย่างนี้เราพยายามคิดไปอย่างนี้เราพยายามน้อมไปอย่างนี้เนะมื่อเราพิจารณาจริงทั้ทงหลายเดินติด ต, ต่อกันนะของทั้งหลายแล้วนี้ก็หมดราคานะไม่สวยไม่งามไม่กำหนัดไม่รใคายยิบขึ้นมาก็เรียกว่านะมันรู้มันเห็นสัตว์แต่ว่าเท่านั้น สัญหามันก็ไม่เกิดอุปทานมันก็ไม่เกิดพอเห็นว่าเป็นอย่างนั้ น, น, นจุดวางคือถ้านได้รู้เท่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เพื่อเราจะวางได้ปล่อยได้มันวางได้ที่เรามื่อเรารูจัดไม่รู้จะรบกวนงูอยู่ที่นี่เราสัาคัญว่า ง, งูนี่เป็นสัตว์อื่นเป็นสัตว์ที่เอาไปทำเป็นอาหารได้เรด่องการสังคัญว่ามันมีพิษอะไรอย่างนี้มันก็ไม่รว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 Workers, ที่เราเป็นที่อาศัยมันนี่ก็เพื่อให้รู้จักว่ามันเป็นอย่างนั้นมันไม่มากไปกว่านั้นที่นี่เมื่อรู้เห็นตามความเป็นจริงได้เช็นนั้นนะมันก็เป็นสัจธรรมเมื่อเป็นสัจธรรมมันก็ไม่แปรเปลี่ยนถึงแม้ว่าไม่แปรมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนเป็นสัจธรรมอย่างนี้เห็นไหมอันนี้จังมันไม่เที่ยงมันแปรมันไม่เที่ยงมันก็เป็นสัจธรรมอย่างนั้นเอง เรื่องท Campus ียมันแปรเปลี่ยนแปลนันเป็นต้นมันเป็นของมันอยู่จยางนั้นอีกมันก็เป็นสัจธรรมมนะมันคงที่ของมันอยู่อย่างนั้นแต่เพราข้อปฏิบัติทางหลายเราเนี่ยเราเราเพิ่งเสียสาระอาคิตย์ติคือความเห็นของเราความเห็นของเราแือความยึดมั่นถือมั่นของเราถ้าเรามาเห็นว่ามันนี้มันเป็นอนิจจังทุกขังนาจาเมื่อไรเป็นต้นความยึดมั่นถือมั่นมันก็ยึดโขเสมื่อที่อ แต่เราเห็นว่าของอันนี้มันไม่มีราคามันไม่ใช่ของจริงมันเป็นเรื่องของสมมุติมัประวางอารมณ์ทียมันมากระทบทางจากะดีทางหูกรดีทางจมูกกรดีทางลิ้นกรดีทางกายก็ดีทางคิดก็ดีมันก็เหมือนคนภายนอกคนภายนอกมันเป็นตัวเป็นตนมันเป็นรูปประทับแต่เราไปพบเขามันเสจะไปกระทบเข้ามามันเปลี่ยนเป็นนมามธรรมจิตอยู่ในใจของเรา ถ้าเ ร, ารู้จักอรารมณ์ภายในมันก็รู้จักอรารมณ์ภาย น, นอกรู้จักคนภายนอกมันก็รู้จักอรารมณ์ภายในที่สันกล่าวว่อาจาตาธรรมะปะหิตาธรรมาภายในมันก็เป็นอย่างนี้ภายนอกมันก็เป็นอย่างนั้นทางภายนอกภายในอามาพลกันไปอีกมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นถ้ามันเห็นชัดขึ้นเมื่อไรไอ้ความเห็นชัดในธรรมะไม่ใช่ว่านั่งอยู่มาเห็นชัดยืนมาเห็นชัดนอนมาเห็นชัดอะไรก็จริง ไม่เกี่ยววิยาบทมันจะยืนอยู่ก็ตามจะเดินก็ตามจะนั่งก็ตามจะนอนก็ตามนี่แค่นั้ น, นอืมท่านเียจะไปทำจิตให้มันสม่ครเสมอปฏิยาบทถ้าปฏิริยาบทให้มันเสมอการยืนการเดินการนั่งการนอนเรียวกว่าิยาบทไอ้โพธิมีความรู้สึกควบคุมิริยาบทการยืนการเดินการนั่งการนอนหากมันยืนอยู่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 การกัดรูดธรรมะการรู้เห็นธรรมะนี่ยพระพุทธเจ้าถึง ม, มีแ น, น, น, น, น่บ้างองค์ก็นั่งบ้างองค์ก็ยืนบ้างองค์ก็นอนแค่นั้นจึ ง, ง, งทำสตินี่ให้มันมีอยู่เสมอบ้างองค์ฉันจะหันอยู่ขนั้นนี้ผมว่าถ้ากำหนดแฉันจะหันขน่ดกำหนดดีๆผมว่ามันเกิดความรู้หลายประการทีเดียวเราเพ่งตรงในอาหารเรวนั่งที่จะ น, น, น, น, นั่งจะแข็งจะกำหนดรู้จัดทางอาหารที่มันเกิดกำหนดไม่ถูกกับร่างกายเราด้วย รู้จักประมาณมันก็รู้จักชัดเจนรู้ซึ่งอาหารก็รู้จักนี่แบบกำหนดอาหารรู้ในความเป็นจริงนั่นก็เรียกว่าอาหารนี่มันก็เป็นโทษอันหนึ่งมันก็เป็นประโยชน์อันหนึ่งสําหรับให้คนน่ะมันป่วยไม่สบายก็เพราะอาหารถ้าเรารู้จักอาหารการเป็นจริงเนี่ยเป็นส่วนมันก็เกิดประโยชน์อือย่างคนเสียท้องเสียไส้อะไรต่างๆไว้อะถ้าเรากําหนด อาหารมันเนี่ยมันจะรู้จักเทีาายไอ้ของนี่มันแพร่งเต็มเต็มันเข้าไปในป่าเราครั้งแรกแต่เรากำหนดตงไปไปถึงที่มั น, ม, น, น, นมันจะรู้จักทีเดียวเลยมันจะสอนเอกน่ยมันจะรู้จักดังนั้นการกำนรดอาหารนี่มันจึงเป็นยาอกำหนดอาหารนี่เป็นยาเป็นยาอันหนึ่งในพินิจพิจารณาแล้วอย่างนั้นถึงเกิดปัญญาแะระดู เรามองดูในบาตเท่งดูในบาตอย่างพระพุทธองค์ท่านวางเมื่อฉันมี็นบาตให้มองแต่ในบาตรให้มองแต่ในบาตอย่ามองดูบาตผู้อื่นเพื่อหวังจะยกโทษอย่าให้เมล็ดข้าวตกตรงในบาตอย่าให้เมล็ดข้าวตกลงในที่นั้นนั้นมันจะรู้เห็นหมดกับสารกำหนดลงไปเท่านั้นอะไรมันเสียหายไม่ดีในลักษณะนี้ถารมีสติอยู่เท่านั้นก็มันต้งกุ้มควินัยเจะมีมันต้องรู้จัก มีสัณปัญญาอยู่มันกลัวอยู่ทะนะัเมื่อจริงทั้งหลายเรานี่มีอยู่กับปัญญาเข้ามาช่วยมันต้องเกิดปัญญาขึ้นมามันเป็นเย่างนั้นก็เลยมันสงบนะครับไปในตัวของมันเนี่ยการนั่งอยู่กรณีการยืนอยู่กรณีการเดินกรณีการนั่งกรณีการนอนกรณีอิริยาบททั้งสีลนี่มันมีความรู้ชัดอย่างเดียวกันมันสม่ำเสมอยกง่ายๆคือว่าแมวเรามองเห็นแมวทีนี่เรานั่งอยู่เห็นก็เป็นแมว ถ้าเรายืนขึ้นมองก็เป็นแมวอยู่ถ้าเรานอนมองก็เห็นเป็นแมวอยู่ถ้าเราวิ่งไปเราก็เห็นเป็นแมวอยู่จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนไม่มีเปลี่ยนเป็นแมวทั้งนั้นนี่อย่างนี้เดี๋ยวมันไม่เปลี่ยนแปลงอริยบทนีมันเสมอมันเห็นอารมณ์นั่นชัดอยู่ไม่ใช่ว่าอริยบทเสมอตอนนั่งในวันเสมอยืนยืนใ้มันเสมอ น, น, th, นั่งไม่ใช่เวลาอย่างนั้น มันใช่ความรู้สึกมันใช่ความรู้สึกรู้สึกอย่างว่าเรานั่งอยู่เราเห็นมันเป็นแมวอย่างนี้เราอยูนขึ้นก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นแมวเรานอนต้องเคเห็นว่ามันเป็นแมวมันเป็นแมวที่เท่านั้นแหละที่ไม่เปลี่ยนแปลงอะนี่ีทวิญาณสมมุตินั่นคือความรู้สึกอย่างนี้มันไม่เปลี่ยนแปลงก็เพราะมันเป็นแมวจริงๆนี่มัไม่เปลี่ยน ไม่ใช่พานั่งอยู่เป็นแนวรุกขึ้นมันเป็นชุนะัเดินไปมันเป็นสุกร อ, อะไรไปยังไงไม่ใช่ย่างไงมันคงที่มันคือมันชัดอย่างนี้เดี๋ยวอริยาบทมันเสมอบางคนก็ไปจัดว่ายืนก็ให้การภาวานาเนี่ยนะยืนไ็้มันเท่ากันกับนั่งนั่งก็เท่ากันกับนอนนอนก็เท่ากันกับเดินอันนี้ก็ทําได้แต่ว่าทํำได้จวกล่าวเต็มทีนะ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 เรียกว่าปกติจิตมันเป็นปกติจิตในความเป็นจริงท่านนี่กล่าวไว้ว่าอจิตไม่ก็เป็นปกติอยู่อย่างนี้แต่ว่าเมื่อมันจะผิดปกตินั่นก็เพราะว่าเสียงมันกระทบกรีมมันมากระทบรถมันมากระทบโภชความมากระทบนีม่มันก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปทําไมเพราะมันหลงอารมณ์ มันดงไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสมันดงไปอย่างนั้นมันก็เปลี่ยนอยู่ยมันเปลี่ยนไปอมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนไปตามอตามอารมณ์นั้นะนี่คือจิตมันไม่รู้จักคือจิตมันประกอบด้วยความโลภความหลงดุเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไปตามนะตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสที่เนี่ย ไม่ใช่ว่ารูปมันให้เปลี่ยนไปไอ้ความรู้สึกเราเองเนี่ยพาเปลี่ยนไปอันนี้เราชอบมันก็เปลี่ยนไปอย่างอันนี้ไม่ชอบมันก็เปลี่ยนไปอย่างนี้ไอ้ความเป็นจริงจิงทั้งหลายเนี่ยก็เป็นปกติของมันดังนั้นโลกนี่พระพุทธเจา้าถึนจึงสอนเลยว่าโลภีตูรู้แจ้งโลกรู้แจ้งโลกก็คือรู้แจ้งถึงอารมณ์นั่นแหละอารมณ์ก็เหมือนกับโลกโลกก็เหมือนอารมณ์ ถ้าเรารู้อารมณ์เราก็รู้โรคอันนี้อย่างแจ่มใสถ้าเราไม่รู้จากอารมณ์เป็นต้นเราก็ไม่รู้โรคเี็นอย่างแจ่มใสพระพุทธเจ้าท่านเห็นเป็นจึงแปลว่าโรกบิทูผู้รู้แจ้งถึงโรคพระพุทธเจ้าตัณฑารู้อยู่ในรูปนี่แหละตัณฑารู้อยู่ในรูปนี่ในเสียงนี่ในกลิ่นในรสนี่โภชนาทำมารมณ์นี่ไม่ใช่ว่าท่านนี้ไปที่ไหนหรอกท่านเห็นนองมันชัด อารมณ์ทุกอย่างมันก็สมองเสมอของมันนี่ที่เราว่ามันดีมันชั่วมันสุขมันทุกข์ก็เพราะไอความรู้สึกของเรานั้นน่ะอันนั้นก็เป็นธรรมดาอยู่เป็นปกติของโลกอือจิตใจเราไม่ได้โทษอะไรทั้งนั้นน่ะไม่ได้โทษนอกจากนั้นก็ย้อนมาในตัวของเราเชว่าเราเกิดมาแล้วมันแก่มันเก็บมันตายอย่างนี้กันต่อ ถ้าเราไม่รู้จัดก็น้อยใจดีใจเสียใจอะไรทั้งหลายนล่นนี้ในรูปในนามนี้ใ้ความเป็นจริงสิ่งทั้งหลายเลยก็เป็นอย่างนี้ของเขาเองอมาเลยไม่แยกว่าเขาเพิ่งเป็นเดียวนี้เรามาพบในเวลานี้ก็รู้มืนว่ามันเป็นอย่างนี้อื<ม>โลกก็เป็นมาอย่างนี้เป็นไหเแต่อะไรมาเป็นเรียงอย่างนี้ไม่ใช่มันเป็นอย่างอื่น ที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปนั่นก็เพราะจิตของเรานี่เองไปลายหมายมั่นในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันจึงเกิดความดีใจขึ้นไม่จึเกิดความเสียใจขึ้นเท่านั้นงานนี้มันก็ไม่มีอะไรไอ้ที่เราปฏิบัตินี้ก็ไม่ต้องหมายอันนี้มันซึ้งมันลึกที่เราปฏิบัติกันทุกวันนี่ก็ให้รู้จักในขอบเขตของเรา ที่เรามาปฏิบัตินี่มันอยากจะได้ตามปรารตำนานของเราทุกประการนะมันก็ไม่ได้เพราะมันจรินงนะเราที่เรียกว่าการปฏิบัติอืให้เห็นชัดเจนอือยากจะเห็นสิ่งทั้งหลายเรานั่นก่อนเห็นตัวของเราจะยืนให้มีสติจะนั่งให้มีสติจะนอนให้มีสติอืมพูดไปที่ไหนก็หนีไปทันกระยำอยู่ตรงนี้เนี่ยเพราะมันมันเป็นรากฐานอยู่ตรงนี้ อย่างที่ผมเคยพูดว่ า, อ, า, อ, าอยู่ด้วยกันมากๆอย่างนี้ก็อยู่มันอยู่คนคนเดียวแล้วจะมองในง่ายๆแต่มันรักคนนี้นี่มันก็เริ่มจะผิดแล้ ว, ลวในใจของเรารารู้มันดีมันเกลียดคนนัน้นนี่เราก็รู้แหละมันเริ่มจะผิดแล้วนี่น เราว่าท่านสอนว่าแม่รักใครไม่ได้เกลียดใครมันจะเกลียดนั้นมันจะรักใจมัเป็นอาการเท่านั้นเนี่ยมันอยู่นอกใจของเรามันอยู่ในใจของเราอย่นี้พูดอย่างใจมันก็เป็นอย่างนี้ดังนั้นพระพุทธ เ, เจ้าท่านจึงตานว่าโลกโลโกคือโลกอาโลโก มันสว่างอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนเน่ะทําของเบปุติเจ้าอาการของทำหลายทางทำทางหลายเลยมันเป็นมันเป็นอาการอยู่สว่างสวา ย, ยตลอดเวลาแต่ราบางทีเราเปิดพุกใจบางทีเรารสุกใจบางทีเราจดีใจบางทีเราจะเสียใจไม่ใช่เป็นเพราะสิ่งใดแล้วนะอมันเป็นเพราะความเห็นผิดของเรานี่เองมันถึงเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเบปุติเจ้าจะเอาโอปะนาะอิโกให้นอกเข้ามาอย่านอกอกไว้ ให้น้อมกลมาน้อมกลมาน้อมกลมานายตัวของเราเพื่อจะเห็นชัดๆมันมีรากฐานกาอยู่ถิตตรงนี้ไอ้ปฏิบัติใหม่ๆพูดอย่างนี้มันม ก, ก, ก็มนไม่รู้จักหรอกไม่รู้จักมันจะรู้จักเมื่ อ, อไรรู้จักเมื่อเราปฏิบัติไปนั่นแหละข้อสิ่งทั้งหลายแล้วนี่มันเกิดจากการปฏิบัติที่วันนี้เดว่าการพูดกันมันเป็นอย่างหนึ่งการพูดเรามันได้ยินเสียงมาถึงหูเรา เมื่อถึงหูมาถึงใจปิจรารณาเอาไปพิพจิรณาเดี๋ยวไปปฏิบัติอย่างเนี้ไม่ได้ค่อยๆเกิดขึ้นคนมีปัญญามากมันก็เกิดขึ้นเร็วคนมีปัญญาน้อยมันก็เกิดช้าไม่มีปัญญาเลยมันก็ไม่เกิดอนีมันเป็นไรอย่างนั้นการ น, นั่งสมาธิไปอย่าไปว่าอะไรมันเลยอืการ น, นั่งสมาธิ สมาธิคือความตั้งใจมัน่นจะถอนกลับมาหรือจับมนสมาธิคือความตั้งใจมัน่นถ้าเรามั่นใจในข้อปฏิบัติเราอย่างนี้มันก็เป็นสมาธิส่วนหนึ่ง น, นี่มันเป็นสมาธิส่วนหนึ่งแต่ว่าบันยังไม่เป็นผลมันคือมันเป็นดอก ม, มันเป็นดอก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 อันนั้นนะคือเราแบกต้นขนุนอยู่แล้วแต่เราไม่รู้จักเอามะม่วงคือมาชันสักใบหนึ่งหยิบเม็ดมันคือมาอันนั้นคือเราแบกแบกต้นมะม่วงอยู่ทางต้นเราไม่ดูเรื่องของเราเอาเม็ดทุเรียนจับเป็นมาชันนั่นคือเราแบกต้นทุเรียนอยู่ทางต้นแค่แต่เราไม่รู้จักมันไม่รู้จักหยิบ เม็ดถนุนขึ้นมาน่ะนายหยิบต้นขนุนต่างต้นขึ้นมาแต่เวลานั้นมันยังไม่เห็นเราจะเอาไปทุบยู่มันก็ไม่เห็นต้นมาคือมันละเอียดมันจุนเป็นจุนมีจุนที่ละเอียดละเอียดตรงไหนว่าต้นมันอยู่ตรงไหนใบติดตรงไหนดอกมันติดตรงไหนกิ่งตี่ตรงไหนใบมันจิตรงไม่ได้ไม่เห็นถ้ามาเห็นเราก็รู้สึกว่าไม่มีต้นไม้แบบนี้ทำ่มคือมันไม่ถูกส่วนของมันผิบ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 แค่ว่าเมื่อมันยังเป็นมเมล็ดอยู่แค่นี้เราชี่มันไม่ถูกอย่างนั้นคนที่ไม่สนใจความเป็นจริงถ้านักปฏิบัติยังหยิบมาม่วงขึ้นมาสา้นลูกนั่นคือระเบียบต้น ม, ม่วงเลยเนี่ถ้าเรารู้จักอย่างนี้มันก็สบายดีเมื่อเกิดพบกขึ้นมาเมื่อตายเลยนี่อยังเราหยิบเม็ดขนุนขึ้นมาฉันมาม่วงขึ้นมาฉันก็ไม่เห็น พันใดอะไรมันบางดุนไ อ, อรสหวานมันรสมันมันรสเปรี้ยวมันเราไม่มองไปถึงต้นมะม่วงอยู่ในนี้มองไปถึงไออันนี้มันหวานนี่นะอันนี้มันอร่อยเท่านั้นกันไม่ทิ้งทั้งหลายนี่มันกันไมยไม่เห็นต้นมะม่วงในเม็ดมะม่วงไม่เห็นต้นขนุนในเม็ดขนุนเนี่ยเรานี่กว่นก า, นานกัรแข่งนั้นเราทับอยู่นั่งทับอยู่ถึงธรรมะนอนกับทับถึงธรรมะ เดินไปปขวายธรรมะทุกข้ามแต่เราไม่รู้ว่าเราขยายธรรมะเรียกว่าว่าเกษษิดวันธรรมะทำมันอยู่ที่ไหนที่ไหนอย่างนี้เป็นต้นอย่างเราจากเม็ดมะม่วงขึ้นมาเราต้นมะม่วงที่ไหนไเห็นโน้นต้นใหญ่ใหญ่ไหนความเป็นต้นที่เราหยิบอยู่นี้ไม่เห็นที่ที่ไหนไม่ได้ไม่สมรุ่นของมันว่าบวชนะมันไม่ถูกจุดมันครับมันไม่ถูกจุด นักบวชมุ่งอะไรมุ่งลาภชะกาละหรือมุ่งยศหรือมุ่งสรรเสริญหรือมุ่งอะไรมากมุ่งวัตถุหรือครับนักบวชพระพุทธเจ้ามาสอนมุ่งสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นออไม่ให้มุ่งสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นครับไม่ให้มุ่งนะครับถ้ามุ่งความสุขมุ่งความสนุกมุ่งการอยู่ดีมุ่งการกินดีมุ่งวัตถุแล้วครไม่ต้องบวชเลย มันโกหกพกลมเข้าจะหากินตามสบายครับ เ, เป็นคารวะนะคะัไม่ต้องมาอดหลับอดนอนก็ับไม่ต้องมาฉันข้าวมือเดียวไม่ต้องมาอยู่ป่าครับดีกว่าอย่างโยมนะ่ะเขานั่งคนั้นนะคุณหมอนะ่ะยังไม่บวชก็สบายครับอยู่สบายหากินตามชอบใจแล้วมันก็สบายนี่ดีกว่านักคารวะก็เกิดมีประโยชน์นะนี่ เห็นว่าไอ้ค่อาคารวนะ่าตัวไหนเป็นสารวาตนะเขาอยู่ในกามมีครอบมีครัวมีเงินมีทองหัวใหญ่นะจะนึกเห็นเขาว่าเออไอเขานั่นเน่ยไม่ใช่เราไม่ใช่นักบวชบางทีเขาไปก่อนเรานะบางทีก็ไปก่อนเราครับทําไมถึงไปก่อนเราเขาทุกทีอยู่ในครอบครัวเขานะเป็นทุกพ่อผัวบักเป็นทุกเพ่อเมียบักเป็นทุกเพราะลูกบักเป็นทุกเพ่ออะไรได้ไดอย่าง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 นี่เดียวครับเขาปรเชิญอยู่ทุกวันเรานี่มันไม่ค่อยถนัดนะครับไม่ค่อยถนัดมีเตี่ยความคิดอนึกเอาจะเป็นยังงั้นเนาะจะเป็นยังงี้เนาะไม่อิ่มเลยครับไม่มีอิ่มเนี่ยนึกไปมันดีไปทางนั้นเนี่ยอะไรมันก็ดีดีดีทางนั่นกะไม่เห็นโทษมันครับไม่เคยเห็นโทษไม่เคยเห็นโทษอืมเห็นเขาทํานาเรื่อยก็อยากจะทำของเขาเห็นเขาทําไรมากมาก็อยากจะทำไร่มันไม่เห็นโทษครับ ไอคนที่เขาทานาเดี๋ยวเขาก็พยายามทําทุกปีทุกเดือนทําไร่เขาก็ทำทุกปีทุกเดือนนั่นนะเขาก็เห็นโทษแหมมันยากมันลาบากแล้วยก็คนนี้จากการทําไร่ทํานาจะได้เราไปคิดเอาเฉยๆเท่านั้นอ่ะคิดแต่ทํานาเฉยๆแหมมันไลยเข้ามากนะเทำไร่เนี่ยเขาโหดเนี่ยหมากเนี่ยเงินมากเ่ยมันสบายนี่คิดนี่คิดเฉยๆอะไรมันก็สบายมันสบายแต่เมื่อสบายก็ได้ไม่เห็นโทษมันครับ ไมได้ติดอยู่นเนี่ยนะเรียกว่ามัน เ, อ เ, อเรื่องจิตใจมันคิดติดอยู่กับความคิดอนุมันเราทุกอย่างนะครับอือน่ะอนุมันทุกอย่างแต่นั้นเน่ะมันไม่ได้ถนัดครับในพวกยาโยมก็ทําในความถนัดนะเขาจะกินเหล้าเขาก็กินมันถนัดกินจนมันรู้จักโทษวันเดียวม ก, ก็ทิ้งมันก็ได้เราเนี่ยนึกอยากจะกินเหล้าเฉยๆแหมมันจะเป็นยังไงนะดียังไงนะ เลยไม่มีเมาตะกี้เลยไม่ได้โทษมันจะกีเ้เลยกินอยู่เรื่อยโอ้โหก็ดีเสียงก็ดีกลิน่นก็ดีเลยกันนึกเอาเฉยๆแต่มันเลยไม่อิ่ครับไม่อิ่มไม่จับนี่มันเป็นแต่อย่าง น, นี้ที่นี่นักบวชของเราเนะ่ยมันเป็ น, ม, น, ปนมันเป็นหัวหน้าคนมันเป็นบุคคลที่สอนคนบุคคลที่สอนคนก็ต้องทําตัวให้เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นสอนคนเราจะต้องทําให้มันดีให้มันถูกต้อง มันก็เป็นอย่างนี้ตามความจริงมันนะอันนี้พอเราทนายมันบวกลองมากครับจะ<ม>ก็อยู่ไปเฉอๆเรื่อยๆไปอย่างที่เขาเคยเขาเคยมาเล่าผมฟังไอ้พโยมมาเล่าไอ้ฟังก่านพระครูอะไรก็ไม่รู้เขาไปบ้านเขาอยากได้อะไรก็เข้าไปบ้านนะท่านพระครูบวชวันนี้ได้อะไรบ้าง<ม>อื้มอตมาก็ได้สมควรเหมือนกันเนี่ย อรูปก็ได้เสียงก็ได้กลนก็ได้รถก็ได้คืออยากจะดูก็ดูก็ได้ไม่อยากจะดูมันก็ได้อยากจะเอามันก็ได้อยากจะทิ้งมันก็ได้อาจจะมาได้แล้วรูปเสียงกลิ่นรสโภชนาอาตมายังไม่ได้ตั้งแต่วัตถุวัตถุคืออะไรเงนินเขาหวนกันมาปีสองปีเขารวยเงินกันเป็นสามหมื่นสี่หมื่นเป็นแสนอาตมายังไม่เคยได้เลยได้เท่าหมืนงง่นสองหมืนเท่านั้นก็เสียไป ยังไม่จุใจเลยโนดไปหาวัตถุอย่างนั้นไม่รู้เรื่องจิตของเจ้าของนั้นนะ่ะพูดเช่นนี้คนาอาอิอยู่นะนี่ไปแสวงหาอย่างนั้นนึกถ้าเรายังไม่เรียงวัตถุไม่พอก็ไปแย่งพ้อค้าเขาเท่านั้ น, นะนคิดไปคิดมาเรื่องชื้อรถยนต์ชื่อรถยนต์ก็ซื้อยามาขายฉายหนังเท่านั้นเนี่ยหาเครื่องไฟมาเท่านั้นเนีะ ออกโฆษณาเท่านั้นเ<ม>นี่ไม่มีใครจะว่ากันครับใครมันก็ถึงกันแล้วอนทุกวันก็ยังมีเลยทําอะไรอะไรก็ไม่มีใครว่าเลยทํานาเลยครับอืทํำดวงนาใหญ่ๆเอาทางหมดวัดจะไปทํานากันเป็นกลุ่มเลยเก็ไม่มีใครว่าเลย น, นี่แล้วมันจะไปได้อย่างไงพวกเราทั้งหลายนะไอ้เมนิยมคนหนึ่ง ถ้าไปฟังธรรมเขาว่าฟังธรรมในมาเทศในโยมฟังเอ้ยอามนุษย์ทั้งนั้นเนี่ยพวกนี้มันไม่มีสินหน้ามันอามนุษย์ทั้งนั้นเขาว่าโอ้ผมนั่งฟังแม่มันพูดแรงเกินไปไ่อาพระจะไม่มีไหมเนอาะแล้วผมมองคนในโลกทุกวันมันอาพระเยอะแต่เขาไม่เทศว่าอาพระว่าจะอามนุษย์มันอยู่ในใจของคนครับทุกวันนี้ มิฉนั้นที่เรามาตกลงกันวันนี้ก็ดีกว่าทำความเข้าใจกันแล้วตั้งใจครับให้มันสมบูรณ์เถอะสมบูรณ์เพราะมีหวานเนี่ย น, น, น, น, นี่มีหวานมีมันมีหอม <S <S เทียบง่ายๆก็หวานมันคือศีลเนียมันมันคือสมาธินเนี่ยหอมก็คือตัวปัญญาเนี่ย นี่เราเสถียรหาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ครับพยายามทําให้มันมีขึ้นอันนี้คือมันไม่ถูกจุดมันครับถ้าถูกหยุดเนี่ยผมเคยนึกในใจผมมาเออปฏิบัติเนี่ยถ้าคนมันยอมรับปฏิบัติจริงๆแล้วนะครับผมว่ามันมีอุปนิสัยไม่นานครับไม่นานได้ปฏิบัติไม่นานครับในครั้งพุทธเจ้ากะกระสอนว่าผู้เจริญสติปัฏฐานทสี่นี่ครับอย่างเข้มแข็งนี่ อย่างเร็วก็เก็ดวันวันรูุธรรมะอย่างน้อยกวโสดาวันบุคคลแล้วครับนี่นี่ปฏิบัติไปอย่างกลางครับเจ็ดเดือนเท่านั้นเนี่ยครับวันรู้ธรรมะได้เนี่อย่างมากที่สุดไม่เกินเจ็ดปีครับจะต้องสําเร็จโสดาสิจิคานาคาพระอรหันต์เรียบร้อยอย่างนานเจ็ดปีครับไอพวกเราบวชกันมาโอย เจ็ดสิบปีถึงไม่พลาดไปเจ็ดปีเลยแปดสิบปีเจ็ดสิบปีหกสิบปีห้าสิบปีเลยค่ะมาเลี้ยงหูกันเท่านั้นเนี่ยมาเลี้ยงไก่กันเท่านั้นเหละมาค้าขายกันเท่านั้นมันจะเห็นอะไรครับอย่างนี้ะวันนี้ผมพูดนะวันนี้นะพูดให้ฟังนะที่มานี่ผมมาเคยได้พูดให้ฟังดอกอย่างเงี้ยวันนี้เนี่ว่ายอมรับกันเดี๋ผมพูดให้ฟังนี่ครับ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 แต่ว่าไม่เหลือวิสัยของมนุษย์ที่จะทําได้พระพุทธองค์สั่สอนอย่างนั้นถ้าหากว่าธรรมะอันใดมันเหลือวิสัยมนุษย์แล้วแตพระพุทธเจ้าจะไม่ทรงสั่งสอนให้หรอกขั้นทรงสั่งสอนสิ่งที่มนุษย์ทําไม่ได้พระพุทธองค์ถูกโง่เท่านั้นแหละไม่มีปัญญาแล้วของที่ไม่เกิดประโยชน์ครับท่านจะสอนใหม่ทำไมมันไม่มีประโยชน์ท่านเกิดมาสร้างประโยชน์เดินไปกไกลเป็นประโยชน์ อยู่ก็เป็นประโยชน์ไปก็เป็นประโยชน์กับตัวท่านก็เป็นประโยชน์พบนี้ก็เป็นประโยชน์พบหน้าก็เป็นประโยชน์สิ่งที่คนไม่รู้เรื่องมันจะเป็นประโยชน์อะไรมันไม่เป็นประโยชน์หรอกครับคํานั้นพระพุทธเจ้าไม่อสอนท่านไม่สอนนะครับธรรมะสิ่งที่ท่านสอนไม่นี่เป็นทางการตรู้ธรรมนี่ครับมันพอเหมาะสมควรกับผู้มีศรัทธาเี่ยผมเห็นว่ามันไม่ค่อยจะยากครับไม่ค่อยเคร่งอะไรนะครับ แต่คนเรามันบัดเคร่งนะ่ยเอพาะวินัยพระวินัยทําอย่างนั้นแหมมันเคร่งเกินไปเ อ, อ้ยคำสอนของพระพุทธเจ้านะครับไม่มีเคร่งมีหย่อนหรอกมันพอดีทั้งนั้นนะเนี่ยแต่เราเป็นต้นปัญญามันน้อยกิเลมันดายตามใจจะของก็เรียกว่ามันเคร่งไปเ อ, อ้ความจริงๆมันไม่เคร่งหรอกครับมันแบบเองเอ้ยมันไม่เคร่ ง, ออ ม, ม, รงมันไม่นกักด